จิตใต้สานึกมันตื่นขึ้นมามันเป็นอย่างไรเราจะรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยมันมีสติรู้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกระดิกไปทางไหนสติมันจะตามปับป๊บปับ๊บปอันเนี้ยจิตใต้สานึกมันตื่นขึ้นมาแล้วพอเราทาอะไรลงไปถ้าสิ่งใดที่มันผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมาย สติมันจะเตือนพับสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราเราไม่ควรทำอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะพึงได้ในปัจจุบันทีนี้ในเมื่อจิตของเรามีสติสัมปะชัญญาเราไม่ประมาทไม่เลอไปทาบาปทากรรมบาปของเก่ามันมีอยู่เท่าไหร่ก็ชั่งมันของใหม่เราไม่ได้ทำเพิ่มขึ้นในที่สุด จิตของเราก็ปราโมทบันเทิงในการทำความดี